ุทวสวัสดีค่ะท่านฟังที่ครบค่ะดิฉันสันสนีนาคพง์นะคะกับรายการสันสนีสนทนาทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าว FM106 ซึ่งอยู่ชิดทาง ข, าขว้าเนี่ยนะคะในทุกวันพฤหัสบดีกับวันศุกร์ดิฉันก็จะได้มีโอกาสดีที่มากราบเรียนถามคำถามต่างๆกับพระมหาภัยบณ์อภิปุณโนวัดป่าดอนหายโศกอุดรธานี เพื่อที่จะได้รับความรู้เรื่องของธรรมะแตกฉานมากยิ่งขึ้นไปพร้อมๆกับท่านผู้ฟัง น, นะคะเราไปนมัสการท่านพร้อมกันเลยค่ะมัสการกันท่านคะเจ้บ้านค่ะที่ท่านบอกว่าจะลงมากรุงเทพแสดงธรรมที่หอจดุดหมายเหตุเพื่อทาตอินทปัญโยนเดือนหน้าวันที่7มีนาคมนี่ก็เหลือประมาณเดือนหนึ่งพอดีนะคะใช่ท่านจะมาแสดงธรรมเรื่องใดเป็นเฉพาะหรือเปล่าคะเผื่อคนจะได้เตรียมคําถามคือเรื่องพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ แตเพราะ <Okay. S 1> ว่าถามคุณยมติ๋วอย่างเงี้ยว่าโดยส่วนตัวคุณยมติ๋วเองเนี่ยตั้งแต่เกิดมาจนถึงบัดเนี้ยเนะี่ยพูดว่าพูดทางสระนังคาชามิธรรมงสระนังคาชามิสังฆะสระนังคาชามิเนี่ยไปกี่รอบแล้วโอ้ไม่รู้กี่รอบเลยค่ะโอ้โหมั น, ม, นมันจนลอสเขานับไม่ได้แล้วนะ <Okay. S 2> คือไม่ต่ากว่าร้อยรอบอะธมาว่านะค่ะ <Okay. S 1> แต่มางานนู้นเขาก็ว่ากันงานนี้เขาก็ว่ากันเนะ่ซึ่ง <Okay. S 1> ซึ่งการการพูดตรงเนี้ยเราเข้าใจความหมายหรือไม่อย่างไรนต่เพราะว่าเท่าที่ธรรมะมาศึกษาในพระไตรปิฎกดูเนี่ย คนที่พูดมากและก็เยอะที่สุดเนี่ยนะะก็เห็นจะเป็นโพธิราชุมานแต่แล้วเขาก็พูดแค่สี่ครั้งเท่านั้นเองในตลอดช่วงที่สุดเนี่ยเหรอคะสครั้งใช่เท่าที่อ่านมาเจอในพระไตไปดอกนะคสี่ครั้งในตลอดช่วงชีวิตอายุของเขาแต่เพราะฉะนั้นไอาการที่เราทําแต่ละครั้งเนี่ยมันมีความหมายที่ลึกซึ้งก็เลยจะมาพูดถึงเรื่องพระพุทธพระตรรมพระสงค์แล้ว่า พุโทโธธัรมโมสังโฆแต่และอย่างเนี่ยมีความหมายอย่างไรการที่เราถึงสิ่งเหล่านี้เป็นที่พึ่งถึงอย่างไร <c oughs> ความหมายของเรื่องว่าสาระเราเสื่อมเป็นอย่างไรแตการที่เราถึงเนี่ยที่เราพูดถึงว่าไตราสารณคมคำนะเนี่ยคือไปเป็นที่ถึงใช่มตระหน่ายนี่คือ <c oughs> สามสาระคือเป็นที่พึ่งที่เราเลึกถึงเนี่ยเราควรจะทําอย่างไรอันนี้คือประเด็นที่จะพูดก็ต้องพูดสามชั่วโมงเลยละ่ะแม่เดี๋ยฉันตั้งคําถามไว้ก่อนเลยนะคะคือ ที่อ่านตามลงไลน์เนี่ยแหละค่ะเขาก็จะมีการพูดยกว่าเป็นพระประสงรูปหนึ่งนะคะบอกว่าไปเดินทุดงแล้วก็วันหนึ่งก็มีคนที่อาคมกล้าเนี่ยเข้ามาถามว่าท่านทำอย่างไรหรือคนอาคมกล้าเนี่ยเหมือนกับปล่อยของมาเนี่ยนะคะ <laughs> แล้วก็พระสงรูปเนี่ยไม่เป็นอะไรยังทุดงอยู่ได้อย่างมีความสุขเป็นเวลาช้านาน แล้วพระสงฆ์รูปเนี้ยท่านก็ตอบว่าก็แค่พุทธทางธรรมบ า, างสังฆังสารนาังขจ า, ามิมท่านฟังเริ่มสนใจแล้วใช่ไหมคะติดตามวันที่เจ็ดมีนาคมกันละกันต้นเผยบูนจะมาแสดงธรรมว่าจริงหรือไม่อย่างไรเพราะในเรื่องนี้ถ้าท่านที่เคยได้อ่านลายนี้ตื่นเต้นเร้าใจมากนะคะว่าคนนี้เขาเลย ม, มาบอกว่าต่อไปนี้ท่านอยากท่องอันนี้ได้ไหมผมขอลองของหน่อยจะไปปล่อยมาใหม่ว่า เมื่อไม่พูดทางทำมางสังขังสารนังคขจ า, ามิแล้วเนี่ยของที่เข า, าเขาอาคมเจ๋งเนี่ยนะคะสามารถเข้ามาได้หรือไม่อืมติดตามตอนต่อไปเพราะว่าดิฉันจะกล่าวเรียนถามท่านเรื่องอื่นค่ะแล้วก็ในในวันนั้นต่ออีกนิด น, นึงก็คือว่าท่านมาก็จะไปฉันที่หอไมเหตุพุทธธาตด้วยตอนเจ็ดมเช้าแปล ว, ว่าท่านไปถึงกี่โมงคะเจ็ดโมงเช้าเจ็ดโมงเช้าแสดงธรรมสิบโมงหรือไงคะเก้าโมงแสดงธรรมเก้าโมง แต่เช้าเลยนะคะแต่ว่าเดือนมีนาคมค่ะคจำไว้ให้ดี <okay. S 1> เดือนหนึ่งในแป๊บเดียวเท่า น, นั้นแหละที่ฉันถึงได้เอามาบอกตั้งแต่ตอนนี้ซึ่งท่านพี่บุญนี่ก็บอกว่าอย่าเพิ่งบอกเลยเดี๋ยวสับสนที่ฉันมาไปบอกใกล้ๆอ่ะทุกคนจะสูญเสียเลยนะคะ <laughs> คือไม่ได้เตรียมเวลาไวอ้อืดีดค่ะ ด, ด, ดังนั้นก็เตรียมตัวกันเอาไว้ส่วนทางนี้ฉันจะกลับเรียนถามท่านถึงเรื่องของทานนะคะวีเทา น, นอค่ะจริงๆนะมีเรื่อง เรื่องอื่นที่อยากถามอีกเพียงแต่ว่ากำหนดไว้ว่าเรื่องทานกระทานก่อนก็นกนกนแล้วกันค่ะทานกับรับประทานเนี่ยเหมือนกันไหมคะทานในลักษณะนั้นก็คือว่าเป็นอาหาราแต่มันก็จะต่างกันอยู่ค่ะเพราะว่าบางทีเราก็ใช้คำแทนคาว่ากิน แ, แต่ไม่ใช่รับประทานพูดแค่ทานเหมือนกันนะคะ <kill St ory> ใช่ใ่ประทานอาหารทานแป่ว่าเอาใส่ปากเคี้ยวๆใช่อันนี้คือภาษาไทย แต่ถ้าทานในภาษาบาลีน่หมายถึงการให้นิดหนึ่งทานไม่ถึงการให้ทานดิฉันได้ยินว่าในการปฏิบัติธรรมเนี่ยจะต้องทำสามอย่างคือทานศีลภาวนาใช่อันนี้เป็นพุทธพจน์ก็มีจุดที่ว่าไว้อย่างนี้ก็มีอยู่ถ้าทําครบสามอย่างได้อะไรกัน่ค ะ, คะโอ้ได้นิพพานเลยนะนิพพา น, านเลยทานศีลภาวนาเนี่ยนะคะใช่เพราะว่ามันย่อๆก็คืออริยมรรคมีองค์แปดอยู่ในนี้ เรา <c oughs> จะพูดย่อๆคือถ้าเราจะขยายความให้มันละเอียดขึ้นไปมันก็คือไปนิพพานได้เลยแปล ว, ว่าเรื่องที่กำลังพูดคุยกันอยู่นี้เป็นเรื่องสําคัญมากพาคุณไปทัวร์ชนิดที่พิเศษสุดนะคะคือหนีจากความทุกข์ได้เลยทีเดียวได้ใชไ่ไม่ต้องทบกับความทุกข์อีกต่อไปทีนี้ท่านคะทานเนี่ยเป็นสัด ส, ส่วนแค่ไหนอย่างใดที่จะต้องต้องทําถึงจะสามารถไปถึงการหลุดพ้นนั่นก็เป็นคำถามหนึ่ง ที่อาจจะตอบท้ายๆก็ได้นะคะแต่ว่าเราก็มักจะคุ้นกับทานทั่วๆไปน่ะบางทีเราก็ให้ขอทานให้สัตว์เลี้ยงอืเราให้คนสมเคราะห์คนใกล้เคียงอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ให้สมณะก็มีให้สมณะเนี่ยถือว่าเป็นทานหรือเปล่านะคะเพราะว่าเป็นผู้ที่อยู่ในฐานะที่สูงกว่าเราด้วยศีลใช่ไหมคะใช่แล้วก็ ท่านเนี่ยทําอย่างไรถึงจะถูกต้องทําอย่างไรถึงจะทําน้อยได้มากดิฉันงกค่ ะ, ะนะคะก็กลับเรียนถามท่านหลายๆอย่างหลากหลา ย, ลา ย, ลา ย, ลายมุมเกี่ยวกับทานค่ะถ้าถจะพูดถึงคําว่าทานเราเอาแง่มุมที่เอาสิ่งๆหยาบๆก่อนคือมันจะมีความหยาบความละเอียดในคํานี้อยู่ <c oughs> แต่ถ้าเราพูดถึงสิ่งหยบาบๆเช่นว่าให้คือให้อะไรให้ของเนี่ยคือนี่คือขั้นขั้นที่หนึ่งความหยาบในขั้นที่หนึ่งละเอียดขึ้นมาก็คือ ให้ชีวิตนี่ก็จะเป็นเรื่องของศีลแต่พระพุทธเจ้าเกิดตรัสถึงเรื่องของศีลเนี่ยเป็นการให้เนี่ยเป็นทานอย่างหนึ่งเป็นทานชีวิตคือแทนที่คุณจะเอาชีวิตเขาคุณก็ให้เขาซะอันนี้ก็จ ะ, ะเป็นเรื่องของศีลแล้วก็อันที่สามที่ละเอียดขึ้นไปสุดเลยเรจะพูดในตอนตายๆก็คือว่าคุณทานกิเลสออกไปจากใจคุณได้ไหมกิเลยที่มันขอหุม้มกลุ่มรุมอยู่ทานออกไปซะคืนสังส่งสารร้าไปซะอันนี้คือเรื่องของการภ า, าวนาเรนะทุกอย่างถือเป็นทานหมดเลยเหรอคะอ่าถ้าเราจะตีความอย่างนี้ได้นะ ถูกต้องเ <Okay. S 1> นะี่ยเพราะว่าเราต้องสละออกไงทานจุดประสงค์คือสละออกคุณสละอะไรออกคุณสละสิ่งของข้างนอกๆอ อ, อ, ออกอันนี้เป็นการให้อย่างที่เราเข้าใจกันตัวโดยตัวทั่วไปดกคุณสละการที่เราไม่เอาชีวิตเขาให้ตรงนี้นี่คือเรื่องของศีลในข้อที่1เป็นต้นนะ <Okay. S 1> แล้วการที่เราสละเรื่องของกิเลส ท, ที่มันกลุ่มรุมอยู่ในใจของเรานี่คือการสละออกเหมือนกันแต่คุณต้องวางนะี่ยการวางการสละออกตรงเนี้ยคือการภาวนาในะละเอียดขึ้นไปเป็น3ระดับนะัคือการศีลภาวนา ในขั้นแรกก่อนที่พูดถึงเจ้าทานในแต่ละขั้นไม่ว่าจะขั้นไหนก็แล้วแต่มันคือกรรมคือการกระทำแต่คือเจตนาที่เราจะต้องทําด้วยใจด้วยกายแล้วก็ด้วยวาจาก็ได้แต่ซึ่ ง, งเจตนาการกระทำเนี่ยการกระทําใดๆก็แล้วแต่จะต้องมีผลของการกระทําที่เกิดขึ้นแน่นอนผลเกิดขึ้นนะเช่นถ้าเรามีการให้ด้วยอะไรด้วยสิ่งของภายนอกแต่บุคคลผู้ให้ย่อมได้รับการให้ตอบนี่เป็นพุทธพจน์ตรงจุดนี้ก็มี นะผู้ให้ย่อมเป็นไปเพื่อสวรรค์อันนี้ที่เป็นบุรพพ์ก็มีคุณจะไปสวรรค์ไดนะ้ผู้ให้ย่อมเป็นไปเพื่อความมั่งมีนะมีความร่ํารวยมีโกพกซั์มากอันนี้ก็ได้ทีนี้ถามว่าอันนี้สงที่จะเกิดขึ้นมากหรือน้อยก็อยู่ที่ว่าทั้งฝ่ายที่ทำํำนฝะ่ายที่ให้แล้วก็ฝ่ายที่รับแล้วก็สิ่งของที่เอามาให้มันมีส่วนตรงรายละเอียดพวกนี้ทั้งหมดเลยนะนะเช่นว่าถ้าบอกว่าจิตใจของผู้ให้ มีศรัทธาก่อนมีศรัทธาระหว่างแล้วก็มีศรัทธาหลังการให้นั่นคือก่อนให้เนี่ยก็มีศรัทธามีจิตน้อมไปในการให้ระหว่างให้เนี่ยก็มีมีศรัทธาทำไม่มีความเลื่อมใสหลังการให้แล้วก็ยังมีศรัทธาทำให้มีความปลื้มใจแต่ก่อนให้มีจิตน้อมไประหว่างให้มีความเลื่อมใสหลังให้มีความปลื้มใจด้วยอำนาจของศรัทธาที่มีอยู่ในใจของผู้ให้ในการให้ทานในครั้งจะได้นิสงมากนี่คือส่วนของผู้ให้ แต่ถ้าผู้รับแต่ผู้รับเนี่ยมารับทานนี้ไปเป็นสิ่งของไปแต่นี่คือในความห ย, ยาบๆขันแรกนะมารับสิ่งของนี้ไปถ้าเป็นผู้ที่ปราศจากราคะโทสะโมหะหรือกําลังปฏิบัติเพื่อที่จะปราศจากราคะโทสะโมหะทานนั้นก็จะเป็นทานที่ได้อ น, นิสงฆ์งมากแต่ได้อนิสงฆ์มากถึงขนาดว่าน้ําทะเลในมหาสมุทรเนี่ยมันกิ่ลิกี่ิตรนี่มันวัดกันไม่ได้เราไม่สามารถประมาณได้เลยว่ามันเท่านี้ ล้านลูกบาทเมตรมันมั น, ม น, มนโอ้โหประมาณไม่ได้แต่ น, น, นี่คือส่วนที่สูงสุดในในเรื่องของการให้แต่ถ้าสมมุติว่าองค์ประกอบเหล่านี้ไม่ครบแตเช่นว่าบางทีเราก็ยนโยนให้ไปสั่งสั่งให้ไปไม่ได้มีความศรัทธาอันนี้ส่งก็จะลดลงหรือว่าผู้รับแต่ผู้รับนี้ถ้ามีกิเลสมากมากขึ้นหนาขึ้นอันนี้ส่งก็จะค่อยลดลงลดลงเช่นอะไรแตลักษณะของผู้ที่ไม่มีราคาไม่มีโทสะไม่มีโมหะ หรือกำลังปฏิบัติเพื่อตรงนี้ก็คือเป็นอรัตตะมักหรือขั้นอรัตตะผลละ่ะแต่ถ้าน้อยกว่านั้นก็จะเป็นอนาคามีน้อยกว่านั้นลงมาก็เป็นโซดาบันจนถึงบุตุชนธรรมดาที่ยังมีศีลอยูนะ่ไล่ลงมาต่ำลงมาอีกที่มีราคาโทสะโมหะมากขึ้นเนี่ยก็เป็นคนทุศีลแต่ต่ำไปกว่านั้นอีกก็เป็นสัตว์เดรัจฉานนะหรือต่าไปกว่านั้นอีกอาจจะเป็นพวกมแมลงที่มันเป็นสัตว์เดรัจฉานที่มันห ย, ยาบขึ้นหรือที่มันแย่กว่าเนี่ยนะอันนี้ก็เช่นพระพุทธเจ้าก็เองได้เคยตรัสถึง เวลาที่เราล้างจานแล้วก็เทน้ําที่เหลือจากการล้างภาชนะเนี่ยลงไปในบ่อน้ําตมด้วยจิตใจของผู้เทนะจิตใจของผู้เทเนี่คิดว่าอะไรสัตว์อะไรที่มันอยู่ในน้ําตมตรงนั้นเนี่ยมันจะได้กินเศษอาหารตรงนี้อันนั้นก็ยังได้บุญนะยังได้อ น, นิสงนะเดีนะ๋ยวคือถ้าเราดูองค์ประกอบของ6อย่างนีนะ้ผู้รับในที่นี้ก็คือตัวอะไรที่มันอยู่ในน้ําตมใช่ไหมมันก็เป็นสัตนนว์เดรัจฉานแน่แหละโอ้โหโมหะบึมบั่มบึมบั่ ม, มเลย ทำไหมันได้สภาวะเป็นแบบนั้นแต่คนที่เทของให้ไปแล้วก็มีศรัทธาไม่มากเท่าไหร่แล้วก็สักแต่ว่าเททไปแล้วของนี่ก็เป็นของเหลือเดนด้วยก็ยังได้อนิสงเกี่ยัได้อนิสงอั่อานิสงในที่นี้ก็จะน้อยกันมากกันแตกต่างกันไปตามระดับตรงนี้นี่คือสิ่งในภายนอกแต่แล้วเหนือขึ้นไปกว่านั้นคือถ้าเราให้สิ่งที่ละเอียดขึ้นไปถ้าเราพูดถึงสิ่งของภายนอก เป็นของหยาบๆเราใช้สิ่งภายนอกทำใช้ข้าวของทำใช้เงินทำใช้สิ่งของต่าง ๆ, ๆภายนอกทำอันนี้ก็ยังหยาบๆบอยู่แต่ถ้าเราใช้กายกับใช้วาจาของเราทำแต่ใช้กายทำเช่นว่าเราจะเอาชีวิตเขา เ, เราก็ให้แล้วกันนะให้ตรงนี้คือกายเราต้องต้องเป็นผู้กระทำะะกายเราเป็นผู้กระทานั่นก็คือเรื่องของศีล น, นั่นเองศีลก็จึงมีอนิสง์ขึ้นไปอีกแต่ศีลก็มีอนิสง์ขึ้นไป ถ้าเราจะพูดถึงศีลในเรื่องของแง่มุมของความเป็นทานมันก็ถูกต้องแหละอันนี้มีพุทธพจน์ที่รับรองด้วยค่ะโน้ยก็ไรขึ้นไปอั น, นิี้สงก็จะสูงขึ้นไปทีนี้อันนี้ส์ของการให้ชีวิตเนี่ยนะคุณโยมติว๋วกับอันนี้สงของการให้ของเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันแตความความละเอียดกันใช่มันมีอั น, นิี้สงมากกันอยู่แต่ว่ามันจะไม่เหมือนกันพระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้และมีพระอาหารสองรูปพระอาหารสองรูปนะคือหมดสิ้นกิเลสเรียบร้อยแล้วนะพระอาหารรูปแรกเนี่ย ไม่ค่อยได้ให้ทานเอาไว้นะ่ไม่ถึงการให้สิ่งของนะ่พอไม่ได้ค่อยให้ทานเอาไว้นะ่ลาบสการะที่จะเกิดขึ้นกับท่านก็จะน้อยเเนะปรียบเทียบกับพระอรหันต์องค์ที่สองเนะ่ที่มีการให้ทานการสั่งสมการให้เอาไว้เยอะลาบสการะที่จะเกิดขึ้นกับท่านก็จะมีมากก็จะแตกต่างกันค่ะน่คืออันนี้สงของมันมันก็จะมีในระดับที่มันจะให้ผลได้ค่ะอืมก็เท่ากับว่า ในเมื่อองค์ประกอบของทานหรือว่าการให้จะต้องประกอบไปด้วยผู้ให้ของแล้วก็ผู้รับเนี่ยทุกอย่างก็เลยมรยีรายละเอียดที่จะส่งผลถึงผลของการที่จะได้รับจากการให้ทานซึ่งเป็นการกระทำแล้วก็ดิฉันฟังจากท่านเนี่ยเชื่อว่าหลายท่านคงจะรู้สึกเหมือนดิฉันนะคะว่าแง่มุมของทานนี่กว้างขวางจริงๆแล้วเราก็นึกไปไม่ถึงเลยว่าภาวนาเนี่ยจะเป็นทานด้วยเพราะเมื่อก่อนดิฉัน มารู้เรื่องศีลเป็นทานด้วยว่าเป็นอภัยาทานเป็นต้นเอเวลาทานเป็นต้นนะคะคือการที่ไม่พยาบาทไม่เบียดเบียนไม่ฆ่าอย่างเงี้ย น, นะค ะ, ะเป็นเป็นมหาทานเลยถูกไหมคะถูกต้องถูกต้องค่ะทีนี้พอมาเป็นภาวนาเนี่ยอืเพิ่มมาทราบจากท่านเลยคะ่ะว่าเป็นการสละกิเลสใช่ไหมคะที่ต้องอย่างเช่นขันห้าเอาขันห้านะเราพูดถึงขันห้ามาเมื่อสักครูนี้ แต่ว่าเราไปยึดถือขันหน้าด้วยความเป็นตัวเราของเราถูกไหมแต่แอสิ่งนี้มันไม่ควรจะมายึดว่าเป็นตัวเราของเราหนะ้าอย่างอย่างเราเราจะให้ของสักอย่างใดอย่างหนึ่งมันต้องเป็นของเรานะเราถึงจะให้ได้<ช>แต่ ค, คุณยมติวมีข้าวของส่วนตัวที่เก็บสะสมไว้อย่างใดอย่างหนึ่งเออเราจะเราจะให้ออกมันเป็นของเราหนิเราจึงให้ออกไปได้การกระทําตรงเนี้มันไม่ต่างอะไรกันกับขันหน้าขันหน้าเป็นของเรานะแต่เราวางมันออกไปซะเถอะหน้ามันไม่ใช่ของเรานะ อารมณ์นี้มันเดียวกันนั่นนะถูกไหมซึ่งพอพูดเรื่องขันปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวฉันอาจจะต้องขออนุญาตลงรายละเอียดอีกนิดเพราะว่าบางทีเป็นภาษาพระนะคะแล้วก็เป็นเรื่องเป็นเรื่องนามธรรมซะเป็นส่วนใหญ่มีรูปแค่รูปเท่านั้นเองคนเพื่อเข้าใจละค่ะคือหมายถึงถ้าเราบอกว่าการจะให้รูปสมมุตินะคะให้ขันห้าเอาหนึ่งในขันห้าให้รูปให้รูปเราก็ถือว่ารูปเป็นของเราละใช่ ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นในการให้เนี่ยก็เหมือนกับว่าจะยากเหมือนกันนะอรูปนี้ก็อย่างเช่นว่าบ้านรถหรือว่าทรัพย์สินของเราอันนี้คือเราเข้าใจกันอยู่แล้วนะว่าไอ้คาว่าทานการให้ความหมายอย่างทั่วๆไปที่เราเข้าใจอันนี้คือเรื่องของรูปอันนี้มันชัดเจนอยู่แล้วถูกไหมตอนนี้ในเรื่องของสิ่งที่เป็นนามธรรมอย่างเช่นเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณพวกนี้สิ่งที่เป็นนามธรรมพวกนี้ เออเราจ ะ, จะเราจะสละในรูปแบบของการให้เนี่ยมันจะทํำยังไงและใครจะมาเป็นผู้รับแตนะ่ถ้าเราดูในงแ ง, ง่มุมของการภาวนาก็คือว่าอย่างความคิดอย่างใดอย่างหนึ่งเนยะเช่นว่าต้องเป็นแบบนี้ฉันจะเอาอย่างนี้เนีฉันจะเอาอย่างนี้ไอการที่มันจะต้องเป็นแบบนี้แบบนี้เนี่ยนี่คือสัญญานะคือความหมายรู้เนะีเช่นการปกครองแบบนี้ระบอบสมบูรณาสิทธิราชหรือระบอบประชาธิไปไตยครึ่งใบเต็มใบพวกนี้เป็นสัญญาทั้งสิน้น แต่คุณทุบโต๊ะปุ๊บคุณจะเอาแบบนี้คุณยึดถือในตรงนั้นนะค่ะแต่ถ้าเราเราสละได้เอาแบบไหนก็ได้อันนี้ก็ดีขึ้นมาอีก ค, คุณก็ให้ไปให้ให้คันห้าเไปละให้สัญญาเอาไปละแต่ไม่ไม่ไมยึดถือเอาไว้เป็นตัวเราของเราค่ะจิตใจมันก็จะเบานะเพราะมันไม่หนักค่ะคือการมไม่ยึดถ้าถ้าสรุปง่ายๆที่ท่านพูดถูกไหมคะใช่การการไม่ยึดนี่แหละคือเป็นเรื่องของการที่สละในส่วนที่เป็นภาวนา ถูกต้องการสละออกตรงนี้แหละคือภาวนาภาวนาตรงนี้ก่อนนะภาวนาเนี่ยเป็นภาษาบาลีนะคุณยมติวแปลปาภาษาไทยว่าพัฒนาอู้เหรอคะอ่าภาวนาเป็นภาษาบาลีแปลปาภาษาไทยว่าพัฒนาภาษา อ, อังกฤษเขาว่า development ซึ่งพัฒนาพัฒนาอะไรในที่นี้คุณจะให้ของ ข, องข้างนอกคุณก็พัฒนาจิต ข, ของคุณคุณจะให้สิ่งที่เป็นขันห้าจะเป็นที่เป็นนา ม, มาทําคุณก็พัฒนาจิต ข, ของคุณจิตคุณต้องมีกําลังนะในการที่จะสลัดออกกําลังตรงนี้มาจากไหน มาจากการที่เรามีสมาธิมาจากการที่เรามีปัญญาเราถึงจะวางได้มีกำลังตัวนี้ได้นะคะนี่ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับมองมองทุกอย่างในมุมของการเป็นทานใช่เท่ากับว่าเราเนี่ยสามารถจะทําทานได้ตลอดเวลาเลยแน่นอนเลยแน่นอนไม่ต้องมีสตังไม่ต้องมีของเป็นของตัวเองคือไม่ต้องมีเงินมีทอง มีของเราก็สามารถทานได้ทั้งนั้นถูกต้องถูกท้องเดี๋ยวเอาที่ ง, ง่ายๆก่อนตอนนี้ทานความโกรธได้ไหมค่ะถ้าเราไม่พอใจใครสักคนใดคนหนึ่งก็พูดสักอย่างใดอย่างหนึ่งในทีวีแล้วมันจี้ขึ้นมาในใจเนี่ยคุณคุณอาวางตรงนี้ได้ไหมคุณชละออกไม่ต้องมีคนรับก็ได้คุณให้สังสารวัตไปสังสารวัตเป็นผู้รับไปเนี่ยไม่ได้เอาไปลงกับลูกไม่ได้ไปลงกับผัวนั้นน่ะไม่ก็เรียกว่าไม่ได้ให้ทานอย่างนั้นนั่นก็เรียกยิ่งเพิ่มเติมบาปกรรม ในที่เราสลาออกจากใจของเราแม่นี่มัมนจะดีมากนะคะซึ่งอันเนี้ยฟังเหมือนง่ายแต่มันก็อยากทําได้นะคะที่ท่านพูด <laughs> คิดไม่ออกเหมือนกันจะทําได้ยังไงก็มันกระตืดตืดอยู่นั่นแหละนะคะตืดแทบทุกเรื่องเลยบางทีบางเวลาของบางคนเน่ยเห็นอะไรก็ลบไปหมดแล้วนะครท่านตรงนี้ก็จึงต้องฝึกจากสิ่งที่เป็นภายนอกคุณยมเตียว นะบางทีอย่างเรื่องในใจบางทีเราเราวางยากเราให้ทานยากใช่ไหมถ้าเราพูดในแง่งมุมการการให้ทานคุณก็ฝึกสิ่งที่คุณทําได้ก่อนเนะีเช่นว่าคุณจะให้ขอทานคุณก็ฝึกให้ขอทานได้คุณจะฝึกให้ทานในสมณะคุณก็เออพระองค์นี้เรามีความเคารพศรัทธานในท่านเราจะให้ทานก็ได้ฝึกการทําตรงนี้ก็เป็นลักษณะจิตเดียวกันเป็นลักษณะจิตมันก็จะค่อยมีกําลังขึ้นอ่ะมีกําลังขึ้น <Okay. S 1> นะเราจะตบยุงตียุง เราให้ชีวิตมันให้เลือดมันนะให้เลือดมันให้มันกินฝึกตรงนี้ก็ค่อยๆฝึกไปค่ะอันนี้ก็เป็นวิธีที่ท่านแนะนำหนึ่งวิธีละอ่าดิฉันอยากจะให้แนะนําหลายๆวิธีเลยที่มนุษย์มีโอกาสที่จะให้ทานได้ในการดําเนินชีวิตประจําวันเพื่อที่จะทําให้บางทีเรายังไม่เห็นแง่มุมเนี่ยก็จะได้เห็นแง่มุมเอ้ยมันอยู่กับตัวเรานี่เองโอ้ยหมูต่อยิ้มจะหัดมันทุกวันเลยคุณยมสิวขับรถใช่ไหมค่ะมีคนมาขอแทรกให้เขาเลย ให้ได้ไหมให้เขาเลยให้ <c oughs> ทางเขาใช่ป่ะเขาบอกขอทางให้อย่างเงี้นะ <c oughs> อะหรือว่าเรามีโอกาสที่จะเห็นขอทาน เ, าเราให้ไหนทีนี้ให้เท่าไหร่มันถึงจะพอดี <c oughs> อันนี้ก็ต้องมาพิจารณาว่าเอะความตระหนี่เรามันจะไปติดอยู่ตรงไหนเดี๋ยสมมติสมสมติเราให้เห็นขอทานให้บาทสองบาทเศษสลึงอยู่ในกระเปตังเราให้โดยไม่ต้องคิดเลย <c oughs> แต่บางที <c oughs> แบบเกลี้ยงให้เอา มันจะใจเป็นบุญเท่าไหร่นี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ถ้าผมว่าให้แล้วมันจะตึ๊กว่ามันเยอะรู้สึกเยอะเกินไปเนี่ยมันกึกขึ้นมาตรงนั้นเนี่ยตรงนั้นคือจุดที่คุณจะต้องสละออกค่ะคืออย่างสมมติในชั่วโมงเร่งด่วนเนี่ยฉันก็รีบเหมือนกันนะเธอก็รีบใช่ไหมไม่ให้ตรงนี้มันมันตะหนีตรงนี้นะมันตะหนีตรงนี้ให้เลยให้ตรงที่ตะหนีนั่นล่ะแม่มันจะสุดยอดเลยจิตใจเราจะสูงขึ้นทันที แยกแรกพลาดไปแล้วเคยนีมาตลอดฉันไม่ให้เอราะแยกมากใ็ไม่ให้ก็ได้ใช่ไหมคะนะคะหรืออยางบางคนทำบุญอย่างเงี้ยพันหนึ่งันคุณควักได้โดยไม่ต้องคิดเท่าไหร่แต่ถ้าเพิ่เริ่มเป็น 4,000-5,000 เอมันต้องคิดนาคิดหลังซึ่งซึ่งอย่างไรก็ตามไอ้การที่เราต้องรู้จักแบ่งงบประมาณในการให้มันก็เป็นเรื่องที่ดีนะทีนี้ถ้ามันไปติดตรงนั้นเนี่ย มันจะมีความตารรนีเกิดขึ้นตรงนั้นเนี่ยตรงนั้นจะเป็นจุดที่เราจะต้องพิจารณาว่าเราจะต้องให้หรือไม่ให้แล้วถ้าเราสละได้อันนี้ใจิตใจเราจะสูงขึ้นค่ะแต่ท่านคิดว่าถ้าเรารู้ว่าอ น, นิสง์ของการให้มันจะเกิดขึ้นจากก่อนระหว่างแล้วก็หลังให้เนี่ยที่มีจิตยังไงนะคะท่านที่ว่าก่อนให้มีศรัทธาใช่ไหมก่อนให้มีศรัทธาก็จะมีความเลื่อมใสค่ะระหว่างให้มีศรัทธาก็จะมีจิตน้อมไปลหลังให้มีศรัทธาก็จะมีความปลื้มใจ เริม่มใสน้อมไปปลื้ ม, มใ จ, ใจถูกต้องเป็นผลของศรัทธ<ถ>าทีนี้อย่างที่ท่านได้บอกว่าบางทีให้น้อยเนี่ยให้ง่ายแต่ถ้าให้มากแล้วมันต้องคิดทบทวนก็ต้องมีวิธียังคิดว่าอย่างนี้จะได้ั้ยคะสมมติว่าเรารู้ลนะว่าเราไม่ได้มีฐานะจารโแบบคนอื่นขอโทษนะคะไม่ได้ร่ำรวยแบบคนอื่นแล้วก็อยากจะฝึกอย่างที่ท่านบอก ก็เลยคิดตั้งไว้ก่อนว่าเรางงบประมาณอย่างเงี้ยสมมติใครบอกบุญเราปุ๊บเนี่ยทันทีเลยเราอธิษฐานเลยหนึ่งร้อยสมมตินะคะอืในยุคกระถิ่นชุกอย่างเงี้ยเพื่อที่มันจะได้ไม่แค่ยอย่างที่ท่านบอกว่าก่อนละวาง อ, อ๋อใช่ใช่ใช่เพราะว่าการที่เราแบ่งงบประมาณเอาไว้แล้วนี่เป็นเป็นการใช้จ่ายทรัพย์ฐานที่สี่ที่เราควรจะต้องทาอยู่ละเราแบ่งงบประมาณไว้แล้วอันนี้คือก่อนให้คุณคุณมีจิตศรัทธาละแลนะมีจิตศรัทธาแล้วคุณก็จะมีการจิตน้อมไปละ นะมีการเตรียมการมีความปลื้มใจ ช, ใชันจะได้ทําทานใครมาบอกพุนฉันจะให้คตนะั้งจิตอย่างนี้นี่มันจิตสูงจิตปะอีกอย่างหนึ่งนะคะท่านอมักจะมีคนพูดกันถึงเรื่องปัญหาของคนขอทานอนะคะอืว่าบางทีเนี่ยมันเป็นอาชีพคือเหมือนกับว่าไม่ควรส่งเสริมใช่ไหมคะพอมีข่าวอย่างนี้ออกมาม า, มากๆเข้าชักชะงักลังเลแล้วเห็นอ่อุอ้มเด็กนอนหลับอยู่เนี่ยใสย่ยานอนหลับให้เด็กกินเปล่า ออเขอทานจริงวันเนี้ ย, รยหรื อ, อนะเป็นพวกแก๊งอะไรอย่างเงี้ยค่ะออซซึ่งตร ง, งนี้ก็ต้องกลับมาตรงที่เราพิจารณาไงแต่ถ้าถ้าไอการพิจารณาตรงเนี้ยมันเป็นเหตุของของความตระณีเนี่ย น, นี่เราควรจะต้องสละออกแทีนี้ถ้ามันมีคอนเท็กซ์เรื่องของสังคมปัญหาสังคมคอนเทกซ์เรื่องของกฎหมายบางทีเขาไม่อนุญาตให้เราให้แต่เราก็ต้องรู้จักให้ให้มันถูกต้องอ่ะ่เช่นว่าไปให้ในเนินบุญหรือไป ใ, ในสมาคมมูนิธิ เราก็ต้องรู้จักที่จะเลี่ยงไปให้มันเหมาะสมะนั่นเองค่ะคือต้องใช้ปัญญาใช่ให้ถูกต้องด้วยใช่แต่อย่างไรก็ตามทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนาล้วนแต่เป็นทานพิจารณาให้ดีท่านสามารถที่จะให้ทานที่ขนาดใหญ่ขนาดใหญ่ขนาดใหญ่หญยิ่งยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆได้โดยไม่ยากเลยใช่นะคะก็กราบนะมัสการ พระมหาภัยบุญอภิปุลโนจากวัดป่าดอนหายโศอุดรธานีกันอีกวันนึงนะคะในวันนี้ทนวัสดการขอบพระคุณท่านนะคะเจ้าพค่ะตั้งฟังที่ครบค่ะสำหรับรายการนี้ชื่อรายการสรันสนีสนทนาดําเนินรายการโดยสันสนิษฐานานะค่ะทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าว f m ฟเอค่ะดิฉันคิดว่าเรื่องของคําสอนของพระศ า, าสดานั้นเป็นประโยชน์กับการดําเนินชีวิตประจําวันแล้วก็ควรจะเป็นสิ่งที่นําเอามาใช้กับ การดำเนินชีวิตประจำวันได้จริงไม่ทำให้พวกเราเกิดความรู้สึกว่าต้องหาเวลาไปวัดไม่มีเวลาสัทีเครียดอย่างนี้ก็คงจะทำให้ธรรมะของพระศาสดานั้นไม่ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ที่พระพุทธองค์ได้บัญญัติไว้นะคะว่าอยากให้พวกเราเนี่ยทำกันเลยทำในชีวิตประจำวันให้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตกันไปเพื่อที่จะได้ไม่มีความทุกข์มาก นะคะมีความสุขน้อยลงไปทุกวันทุกวันขัดเกลากันไปในชีวิตที่ไม่ได้สะดวกสบายมากนักอย่างที่เป็นอยู่ในขณะนี้เนี่ยแหละค่ะนะคะแล้วเราก็จะเชิญท่านมาติดตามรับฟังรายการกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าท่านไพบูลนั้นจัดทุกวันแต่ที่นั้นจะมาร่วมจัดกับท่านเฉพาะวันพฤหัสกับวันศุกร์นะคะส่วนท่านไพบูลจะมากรุงเทพเนี่ยวันเจวันที่7มีนาคมท่านใสไว้ใน ปฏิทินนัดหมายของท่านได้เลยท่านจะฉันเช้าที่หอจุติมาเหตุเพื่อท่านอินทปัญโยตั้งแต่เวลา7นาฬิกาและแสดงธรรมต่อในเวลา9นาฬิกาเรื่องเกี่ยวกับพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณนี่แหละคะ่ะติดตามรับฟังรายการต่อไปนะคะพุทธวสวัสดีค่ะ